ข อ, อนอบน้อมในองค์สมเด็จพระ ส, สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระอรหรันต์กายจากกิเลสตัดสรูชอบได้ด้วยพระองค์เองขอสวายความขคุขระของอคเรูเทียนซึ่งเป็นปฐมอาจารย์ในการเจริญสติเป็นอาจารย์ใหญ่ของพวกเราหลวงปู่คำเขียนซึ่งเป็นผู้สร้างสถานที่และก็อบรมปฏิบัติเรามาและก็พระเตรานุเถระมัชฌิมนาวกะอาจารย์ยุกิอาจารย์ ออาจารย์สุรินอาจารย์ตุ้มรบกุกกรมพระเทลารุเทละมัธิมานับกะแม่ชีแม่ขาวอุาศกอุาศิกาผู้เจริญในธรรมทุกท่านวัดเราในขณะนี้ก็มีพระอยู่หประเทศประเทศไทยลาวจีนญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมนอันมีพระตั้งหชาติอยู่ด้วยกันมาปฏิบัติารรมใจเด็ ยกมือฟังไปก็ด้วยนะวันนี้เป็นวันพระวันพระแปลวันประเสริฐมาจากวอั马ะประเสริฐคือจิตใจอยู่เหนืออารมณ์ออยู่เหนือสุขเหนือทุกข์เหนือดีเหนือชั่วเหนือผิดเหนือถูกเหนือหมดชนะหมดพระพระคือมาจากคาําวำอั马拉คือวันพระชิตนักบวชฝ่วิชาวะนักบวชมันพดแปลว่าผู้เวน้น เว้นแล้วจากความโลภความโกรธความหลงเว้นแล้วจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการรักทรัพย์เป็นการจักเอาพืชพินัยกรมเว้นการจักแเสพแมถุนคนคู่เว้นการจักการพูดคําไม่จริงคำโกหกคําซาเสียดคําหยาบคําเพ้อเจ้อเรี่วไหลเว้นจากการเสพติดสิกเมือนเมาทั้งหลายเสพติดทางใจก็เว้นขาดเว้นไปเสพติดทางกายก็เว้นพระ ทำเว้นได้มันเป็นพระที่นี่สาหรับพระที่ฟังพระทาไทยไม่รู้เรื่องนะให้ล่างแปลมากว่าเห็นเสียงที่เกิดเนี่ยเกิดดับเกิดดับเสียงที่พูดเนี่ยนเสียงเป็นรูปเนี่ยที่รู้ว่าเสียงเป็นน้ำเอาฟังแค่ว่าให้เข้าใจอยู่ดูที่ใจตัวเองเสียงเกิดดับเกิดดับกระดับเห็นรูปน้ําเกิดดับฟังแค่นี้ก็เข้าใจธรรมะแล้วอ๋อธรรมะเด สิเป็นรูป ก, กับ น, น้ำเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเป็นทุกขังทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาบังคับไว้ได้กระดับกระดับให้เห็น น, นี่ก็เข้าใจธรรมะแล้วเข้าใจมาทีนี้พอฟังรู้เรื่องแล้วทีนี้ดูใจฟังใจถ้าใจมันปกติซื่ อ, อ, อๆเฉยๆเปล่าๆนะว่างๆโปร่ ง, ง, ง, งๆโลงๆอยู่ใจบริสุทธินะ์เห็นกะ <c oughs> ระทบรู้แล้วก็ผ่านไปผ่านไปใจไม่มีโทสะไม่มีกิเลสด้านหนึ่นเ <c oughs> ข้าใจจังสูงสุดเลย เข้าใจกระทบกระทบอารมณ์ปกติอกระทบอารมณ์อารมณ์พันธุ์ผ่านมีพันธุ์านคือใจว่างจากกิเลสว่างจากนึกคิดปรุงแต่งเป็นอารมณ์อยู่เท่าขณะนะครับเป็นพระแล้วเข้าใจไหมพระใจเป็นพระแล้วใจประเสริฐแล้วใจอยู่เนืออารมณ์แล้วนี่ฟังให้ฟังให้เป็นฟังให้เข้าใจไม่เข้าใจก็รู้ว่าไม่เข้าใจแล้วก็ใจก็เฉยนะก็ได้นะก็นั่นก็คือการปฏิบัติธรรมะปฏิบัติบูชาแล้ว บูชาด้วยเงินด้วยทองได้เข้าได้ของได้อาหารได้เครื่องนุ่งห่มได้ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคปัจจัย4ปัจจัย5กระเพื่องขยายเสียงอะไรต่างๆนี่ก็เป็นอมิต t บูชาเป็นบูชาที่ขั้นต้นขั้นส่งเสริมให้ได้ปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาไหมแล้วเราเจริญสติรู้สึกตัวรู้สึกตัวขนะรู้สึกตัวนี่ก็คือปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาอย่างยิ่งบูชาถึงพระนิพพานเลย บูชาถึงความพ้นทุกข์เลยเข้าใจไหมบูชาด้วยการกระทำด้วยการปฏิบัติเลยนะก็คืำที่ทําบูชาด้วยความเพียรกระทําที่ใกล้ที่วาจาที่รูปที่นามของเราเองนะฟังอย่างนี้เรียกว่าอ่านออกฟังเข้าใจนะะเข้าใจแล้วก็รู้แล้ว ก, ก็ไปสัมผัสนะไปสัมผัสกับอารมณนะ์ไปสัมผัสกับสิ่งที่มากระทบทั้งตารูป <c oughs> แสงสีผ่านตาให้ใจรูนะ เสียงผ่านหูให้ใจรู้สึกออกลิ่นผ่านจมูกให้ใจรู้สึกรสผ่านดินให้ใจรู้สึกสัมผัสผดสะพระยนนอดอ่อนแข็งนุ่มเนี่ยหยาบ ก, กระด้างผ่านทางกายผิวกายให้ใจรู้สึกธรรมารมธรรมารมนี่คืออะไร <c oughs> เราฝันนั่นแหละภาพฝันอะไรเกิดมาเป็นธรรมารมณฝันถึงเห็นในมโนภาพของรูปมโนภาพของเสียงมโนภาพของกลิ่นมโนภาพของรส มโนภาพของสัมผัสมโนภาพของความนึกคิดต่างๆมันเข้าไปรู้ในใจความนึกคิดนั่นแหละเป็นเป็นมโนภาพขึ้นมาน ะ, ะก็เรียกทําทอารมณ์นี่เข้าไปดูเมื่อรู้เมื่อใจรู้ใจเห็นแต่กระทบแล้วสิ่งที่ดีๆสวยๆงามๆวิเศษขนาดไห น, นใจก็เฉ ย, ส, ยสิ่งที่ชั่วอะไรแสบเผ็ดเป็นทุกข์ขนาดไห น, นใจก็เฉย น, นี่นแหละฟังตัวนี้ฟังได้อารมณ์ปกติได้อารมณ์อนิพนธ์ ตฟังที่ใจเราอ่านที่ใจเรารู้ที่ใจของเราเข้าใจมันก็ท้งฟังปั๊บทําปุ๊บทําได้ทันทีฟังเข้าใจรู้จักรู้จํารู้แจ้งรู้จริงรู้จบจบมาหมดปัญหาไม่มีไม่มีปัญหาไม่มีความนึกคิดม้วนแห่งไม่มีความสงสัยอะไรไม่มีทุกขเอามาเจียวปวดจบรู้แจ้งรู้จริงรู้จบรู้จํารู้จักรู้แจ้งรู้จริงเอารู้จบเลยจบปัญหาจบทุกไม่มี ดับก็ได้ก็เรียกว่างก็ได้นะว่างต่อไม่ติดตัดขาดก็ได้ห้านี่ก็เรียกว่าฟังอะไรกระทบเราผ่านไปกระทบเราผ่านไปกระทบผ่านไปไม่มีใจยินดีไม่มีใจยินไล้ไม่มีใจรักไม่มีใจชังไม่มีใจยินดีถึงนั่นี่วันนี้เป็นวันพระนะเป็นวันพระแล้วก็ใจก็เป็นพระด้วยใจเป็นพระใจประเสริฐอยู่ในอารมณ์รูปนี่ก็ร่างกายนี่ก็เป็นพระด้วยรูปนาำนี่เป็นพระก็คือประเสริฐคืออยู่เหนืออารมณ์ อยู่เหนือสิ่งที่มากระทบอยู่เหนือสิ่งที่มาสัมผัสอยู่สิ่งอยู่เหนือสิ่งที่มาแตะต้องอยู่เหนือสิ่งที่มากระทบให้ใจรู้เองนี่แหละ <c oughs> ธรรมะธรรมะมีอยู่ทุกนั่นทุกสิ่งทุกอย่างมันแสดงอยู่นะรูปก็แสดงให้เห็นอยู่น้ําก็แสดงให้เห็ น, นไกข่ขันเนี่ยก็บธรรมารูปเกิดดับขึ้นมามดเคลื่อนที่เวิ่นไว้ไปม า, ก, มาก็รูปเคลื่อนไหวไปมาน้ําที่เข้าไปรูปไปเห็นเลนะก็เนกะิดดับไปพัน ผ่านตัวนี้ไปอันใหม่เกิดขึ้นผ่านตัวนี้ไปอันใหมายเกิดขึ้นรูปน้ําเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรูปน้ําเกิดขึ้นตั้งอยู่ไปรูปน้ําเกิดขึ้นตั้งอยู่ดไปทั้งผ่านมาทางตาก็ดับเกิดดับไปผ่านมาทางหูก็ดับไปเกิดมาทางจมูกก็ดับไปทางลิ้นก็ดับไปทางกายสัมผัสก็ไปทั้งรมร้งมลมิษก็ดับไปให้เห็นอาการอันนีจังอาการทุกขังอาการอนาตาฟังแล้วเข้าใจไปรูพระไตรลตักษณ์เลยฟังอย่างนี้ฟังฟังอ่านดูเข้าใจ อันเดียวกันนะเนี่ยก็ฟังให้เข้าใจอ่านให้เข้าใจรู้ให้เข้าใจเห็นให้เข้าใจเข้าซึงใจเข้าซึ้งไปสัมผัสสัมผัสอาการเกิดขึ้นอาการตั้งอยู่อาการดับไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมดับไปเป็นธรรมดานี่ถ้าเข้าใจอย่างนี้เขารู้อย่างนี้สัมผัสอย่างนี้ผู้นั้นมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเข้าขั้นพระสวัสดบัลพระสวัสดบัลคือใครผู้เข้ากระแสภาิพนานกระแสดับทุกกระแสพลทุกนั่นเอง เข้าสู่กระแสแล้วเนี่ยกระแสก็ไหลไปน้ําจากแม่น้ําลําคลองก็ไหลไปลงสู่ทะเลชั้นใดก็ไม่กันไอ้ผู้ที่ฟังที่เห็นร่างกายเนี่ยนั่งอยู่ทั้งหมดเนี่ยไม่มีคนคนพูดตัวตนคนพูดก็ไม่มีตัวตนคนฟังก็ไม่มีมีแต่รูปน้ำแต่นั่งอยู่ที่นี่มีรูปกับนามเลยแล้วก็มีพระนิพานอยู่ที่นี่มีสมอย่างเท่านั้นเองมีอยู่ที่นี่แต่ว่าเรารูปนามนี่พอเห็นพอรู้พอเข้าใจได้แต่พระนิพานนี่ะอันนั้นเข้ามันส่งที่ลึก มันเป็นสิ่งที่ไม่มีน่ะมันว่างเป็นความว่างว่างจากโลภว่างจากโกรธว่างจากหลงว่างจา ก, กเกลียดว่างจากตัณหาว่างจากรูปว่างจากนามแต่อายสัญะ น, นั้นมีอยู่อายสัะเพื่อขันธิภัน่ะใจเข้าไปสัมผัสต่อรู้ได้นะไม่ใช่รูปไม่ใช่นามนะเป็นความว่างจากรูปว่างจากนามอีกทีหนึ่งแต่ว wh ่าใจตัวรู้นี้ไปสัมผัสได้ทรงรู้ว่าสัมผัสว่าไม่มีน่ะสัมผัสว่าไม่มีไม่เป็นไม่เป็นอะไรหลวงพ่เขียนพูดไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรครับแต่มันมี มีความไม่มีอะไรมีความไม่เป็นอะไรมีความว่างแต่เองความว่างแต่สิ่งที่ไม่มีอะไรเลยแต่ก็มีมีความว่างความโกรธความโลภความหลงมีขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวแต่มีความไม่โลภมีความไม่โกรธมีความไม่หลงมีอยู่เป็นอนันตการเลยไม่ปรากฏมาเกิดขึ้นไม่ปรากฏระดับไปแต่มีอยู่เช่นนั้นว่างอยู่เช่นนั้นะเนี่ยเราไปสัมผัสได้ไหมพอสัมผัสได้ทีนี้สัมผัสได้ยังไงหลวงพ่อเขียนพูดโกรธที่ไหน มันก็ไม่มีความโกรธยู่ไหมทุกอยู่ที่ไหนมันก็มีอยูมันมา พ, พร้อมๆกันอยู่ตรงนั้นนะเพราะโกรธดับไปก่อนจะเกิดความโกรธก็ไม่มีความโกรธความโกรธตั้งอยู่ความไม่โกรธมันก็ตั้งอยู่ตรงนั้นเพราะดับไปความโกรธดับไปความไม่โกรธก็มีอยู่ตรงนั้นเองมีอยู่ที่เดียวขณะเดียวกันขณะกันแต่ว่าหน้ามือกับหลังมือมันไปด้วยกันหน้ามือี่กำตะพื้นตะพือ้นกำไม่แบหลังมือแบตะพื average, ้นตะพือนเนี่ยอะไรผ่านมาก็ผ่านไปเลย อะไรผ่านมาก็ผ่านไปเลยไอ้หน้ามือต้องกำมต้องติดต้องยึดต้องถือเขาไปต้องแบกต้องหามก็ไปก็เลยเป็นภาระาะภาะฮาเวปันจังขันธาขันตั้งห้าเป็นของหนักเนอร์นเนอไปยึดเนอร์เป็นยึดอรูปร่างกายนะเป็นตัวตนของเรารูปนี่เกิดก็วนะ่าตั ว, เ ร, วเราเกิดรูปแก่ก็ตัวเราแก่รูปเจ็บก็ตัวเราเจ็บรูปตายก็ตัวเราตายความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความเจ็บเป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ที่เราสวดอยู่เนี่ยก็เลยเราก็เลยกลายเป็นตัวทุกข์ไปก็จะมา ไ ja. อ้ตัวโง่ไอ้ตัวหล ง, วงเนี่ยเข <Marina. S 1> าไปยึดเราเราเป็นคนแก่เราเป็นคนเจ็บเราเป็นคนตายยึดมาเป็นตัวตนหมดจริงๆความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นอาการของรูปเฉยๆเป็นกิริยาเป็นอาการเป็นปรากฏการณ์ของรูปที่ปรากฏให้เห็นอย่างนั้นกระใจแต่ว่าอภิชาตัวโง่ตัวหลงเนี่ยเขาไปยึดว่าเป็นตัวเราเลิกเลิกกลายเป็นทุกข์ทุกข์ทางใจเข้าไปทุกข์ทางตัวโง่ทุกข์ทางตัวยึดเข้าไปเจ๋งมันเป็นเป็นเพียงกิริยากิริยาอาการเกิด กิริยาอาการแก่กิริยาอาการเจ็บกิริยาอาการตายแค่นั้นเองเป็นสภาวะของธรรมผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นพุทธเจ้าผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นพระธรรมผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นประสงค์พระพุทธพระธรรมประสงค์รวมลงที่ใจพ้ทุกข์นั่นเองตัวที่ตัวเดียวรวมลงที่ใจเป็นทุกข์ใจไม่มีทุกข์นั่นเองพระพุทธพระธรรมประสงค์รวมลงที่ใจไม่มีทุกข์ไม่ไม่เป็นทุกข์แค่นั้นเองหลวงพ่อคำเขียน ท่านพูดสรุปยอดเยี่ยมคำหนึ่งมาจะคิดจะพูดจะทําจะรู้จะเห็นจะเข้าใจอะไรเสีงนั้นเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นความแค่นั้นเองนะจะรู้ก็ไม่ทุกข์เว้ยไม่รู้ก็ไม่ทุกข์เว้ยเข้าใจก็ทุกข์ไม่เข้าใจก็ไม่ทุกข์นท่านสรุปลงตรงนี้ตัวเดียวเลยสรุปตรงเียเสียงพวกเราก็ให้สรุปลงที่ตัวรู้ตัวเดียวสรุปรู้ไอ้ตัวรู้เนี่ยมันทาหน้าที่รู้ทําหน้าที่เห็นทําหน้าที่เข้าใจมันก็เลยไม่ทําหน้าที่โกรธ นั่นหน้าที่โลบหน้าที่หลงมันก็ไม่ทำที่นะหน้าที่การตัณหาก็ไม่ทําหน้าที่พยาบาทก็ไม่ทําหน้าที่โมฆะหลงเป็นตัวเป็นตนมันก็ไม่ทําเพราะทําหน้าที่รู้หมดเลยหลงรู้ว่าหลงแล้วโกรธรู้ว่าโกรธแล้วเข้าใจก็รู้เข้าใจไม่เข้าใจก็รู้ไม่เข้าใจรู้หมดเลยนี่ฝึกตัวรู้อย่างเงี้ยที่เรามาปฏิบัติธรรมนี่ก็ฝึกตัวพุทโธพวกที่พุทโธก็ตัวตัศน์รู้เอง ตัดะรู้กัดจรู้เจรต์รู้แบบว่ารู้อย่างแจ่มแจ้งรู้จริงพัฒนากระทบรู้เลยพบรู้กระทบรู้ไม่ใช่นึกรู้ไม่ใช่คิดรู้ไม่ใช่ฝันรู้อย่างนั้นกระทบรู้เข้าไปเลยรู้ที่รู้ที่นี่รู้เดี๋ยวนี้รู้ขณะนี้รู้เมื่อวานนี้เอามาคิดเอามานึกเฉยๆวันนี้ก็เอามาคิดเอามานึกมโนภาพเฉยๆต้องให้รู้ขณะปัจจุบันรู้ของจริงเลยรู้ที่นี่รู้เดี๋ยวนี้รู้ขนาดนี้ก็รู้ยังไงในขณะนี้ก็รู้ว่า เสียงเป็นรูปเกิดดับขึ้นมาน้ําก็เกิดดับไปด้วยโอ้โหเกิดดับแล้วที่ดูใจเลยนะไปดูความรู้สึกของใจ ม, มันเฉยหรือเปล่ามันดีใจหรือมันเสียใจมันรักหรือมันชงังหรือมันเฉยอยู่ถ้าใจรู้ซื่อใช้เฉยนั่นแหละหมดปัญหาแล้วนะหมดปัญหาหมดกิเลสหมดทุกขนะ์หมดจิ้งปูกแต่งอนะไรก็เข้าใจอย่างนี้เข้าใจที่ใจนะเข้าใจที่ตัวรู้นั่นเองนะแล้วตัวรู้ก็เปนดนตัวรู้เอง สติเขาไปดูสติเองความรู้สึกเขาไปดูความรู้สึกเองใจไปดูใจจิตไปดูจิตผู้รู้ไปดูผู้รู้าธาตุรู้ไปดูาธาตุรู้มันมีทั้งหมดาธาตุธาตุดินของแข็งเนี่ยาธาตุนอะไรของแข็งก็เรียกว่าเอิร์ดอิเลเมนต์หรือโซลิดอิเลเมนต์นะไปาธาตุของแข็งาธาตุน้ำก็ลิควิดอิเลเมนต์วอเตอร์อิเลเมนต์ของเหลวเนี่ยาธาตุลมก็ินอิเอ ล, ม เ, ล, มม เ, ลมมเมนต์แอร์อิเลเมนต์มูฟอิเลเมนต์ก็บเนี่มูฟเมนต์อิเลเมนต์ก็คืออาการเคลื่อนไหวของอากาศของลมเนี่ยทีนี้ก็ธาต ไฟกับฮีตอิเลเมนต์ไฟอิเลเมนต์เนก็ธาตุไฟธาตุาว่างความว่างกับธาตุว่างกับสเปซอิ m e เมนต์แแบคคิวอัมอิเมนต์เทีนี้วิญญาณธาตุคอนเซปต์เน็ตอิเลเมนต์เรียกว่าอิเลเมนต์ออฟคอนอิเลเมนต์ออฟโนเเนอันนี้เป็นธาตุของรู้เนไมมีหกธาตุแค่นั้นเองมีแค่นี้เนทีนี้มันสำคัญอยู่ที่ว่าธาตุรู้นี่แหละคือวิญญาณธาตุมันรู้แล้วมันรู้แบบหลงรู้แบบโง่รู้แบบไม่จริงตัวนี้มันทำให้เกิดทุกข์ยอถ้ารู้ แต่งแจ้งตามที่มันเป็นจริงรู้จริงยังไงสิ่งใดไม่เที่ยงก็รู้โอ้มันไม่เที่ยงสิ่งใดมันทนยากเป็นทุกข์ทนลำบากเจ็บแสบขึ้นมาก็รู้อย่างนั้นสิ่งนี้บังคับไม่ได้นะบังคับท่านรู้ ค, คือวิญญาณท่านเนี่ยรู้แต่สุขนะสุขจะรู้น่ะมันก็บังคับไม่ได้นะขับไม่ได้สิ่นี้หรือยอย่ารู้อะไรเลยมันก็บังคับไม่ได้ มันขับไม่ได้ว่าไม่ฟังมันมันนี่ทาที่รู้เถอะนแต่ว่ารู้แล้วมันทีใจรู้แล้วเสียใจรู้แล้วพอใจรู้แล้วไม่พอใจเนี่ยเป็นตัวรู้ของตัวหลงี Cody, bit, C, ล่นะไม่ตัวรู้รู้ไม่จริงถ้ารู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้เปล่าๆรู้ไม่มีปัญหารู้ไม่มีทุกันอันรู้เป็นรู้ที่บริสุทธิ์นี่เราก็มาฝึกให้ตัวรู้เนี่ยมันบริสุทธิ์ขึ้นมารู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้เปล่าๆรู้ว่างๆรู้กลางๆรู้ปกติรู้รวนรวนรู้บริสุทธิ์เนี่ยฝึกทุกวันเนี่ย ฝึกนะสกิมันกระเพิ่อมไหมกระเพิ่มไปยินดีไหมกระเพิ่มไปยินร้ายไหมมันหวั่นไว้ไปยินดีมันไหวไปยินร้ายไหมมันไหวไปลากไปชักไหม น, นี่ก็ดูเนี่ยอ่านออกเลยนะอ่านที่ใจตัวเองนี่ก็เรียกว่าฟังทำแล้วก็รู้เรื่องฟังทำแล้วก็ทํำได้ทําใจด้วยให้นะฟังจำม้วต้องทําใจทําที่นี่เดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้ในขณะที่ฟังอยู่นี่เลยฟังอยู่นี่เลยทีนี้ก็เห็นอาการใจมันคำพูดเกิดดับสื่อสารเป็นอุปกรณ์ เสียงที่พูดเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการสื่อสารให้เข้าใจธรรมะที่เนีเครื่องอุปกรณ์ก็คือไม่เที่ยงมันการเสียงเนี่ยเสียงเป็นเป็นบัดเป็นไออะไรพูดชัดมัง่งพูดอะไรพูดเสียงแหบมั่งเสียงดังมั่งเสียงอะไรมัง่งอันนี้ดังทุกขังอนัตตาอยู่ทุกขนาเลย น, นี่ฟังอย่างนี้ฟังออกฟังเข้าใจแล้วก็ใจก็ปล่อยวางที่ฟังมันก็ผ่านไปไม่ปล่อยมันก็ปล่อยอยู่แล้วนะี่ไม่มันปล่อยอยมันเองอัตโนมัติพอเสียงเกิดขึ้นมันก็ได้ยินมันกระทบเนี่ยพอเสียงหยุดมันก็ปล่อยมันก็หายไปแล้ว มันปล่อยมันวางเดี๋ยวว่าโ ต, โตันมมัดทั้งวันอยู่แล้วทีนี้ให้ใจเข้าไปรู้ซะเนี่ยอย่าไปติดทีเนี่ยไปติดความนึกคิดอีกเนี่ยมันวางไปแล้วเสียงมันดับไปแล้วจะไปนึกถึงเสียงอยู่ย่งไม่นึกถึงกลิ่นถึงรสอยู่นะไอ้ตัวนึกตัวคิดตัวนั้นเนะ่ยเป็นตัวปุงแต่งเป็นตัวทําให้เกิดกิเลสขึ้นมาทีนี้เราก็รู้ว่าความนึกความคิดจะคิดได้จะคิดดีนึกไม่ได้นึกไม่ดีขึ้นมานึกผิดนึกถูกขึ้นมามันก็เป็นอันนีจังทุกครังอนัตตาอยู่ในตัวเสร็จนยฟังให้ได้เเเเท่่่าาาาตยยยยยรัักกไปปลลนนนนนีีีงงออ้้้ขใจ็ววคืา ให้ทานให้ทานแต่เงินแต่ทองแต่ข้าวแต่ของให้อาหารเครื่องนุ่งห่มที่ิตวิวัฒนายารักษาโรคให้แต่วัตถุแต่เราไม่เคยให้ธรรมะเป็นทานเลยเข้าใจไหมให้ธรรมะเป็นทานคือให้อะไรโกดไม่โกดเนี่ยให้สมะเป็นฐานแล้วโลภไม่โลภเนี่ยหลงไม่หลงเนี่ยให้ธรรมะเป็นฐานแะ้วทุกไม่ทุกเนี่ยให้แล้วทิ้งไปสลัดไปนะไม่สลัดให้ใครสลัดให้ความว่างไปสลัดให้ความว่างไปทิ้งไปเลยนะ สลัดไปพรานิพานนั้นสละให้ที่พานิพานไปเลยพานิพานไม่เอาอะไรปุงมแต่งไม่ได้เน่ยนะพานิพานก็ให้ทุกไปพานิพานก็ไม่ทุกให้สุกพานิพานก็ไม่สุกเนยนะทิ้งไปเลยนี่ก็เรียกให้ธรรมะเป็นฐานคนเราต้องให้รู้จักให้ธรรมะเป็นฐานเขาน้อย่างหลวพ่อําเขียงให้ธรรมะเป็นฐานเป็คนไหนมันทําไม่ดีทําผิดทาชั่วทําอะไรขึ้นมาจะมาขอบคุณมาขอบคุณมาขอบคุณความโกรธขอบคุณความทุกข์เ่ย พ่อมันทําให้เรารู้เราเห็นแล้วก็ทําให้จิตใจเรานี่กระเทือนบานใบหรือเปล่านี่มันมาเตือนเราทีเนี้เทศทั้งนั้เนี่ยคนทำผิดก็เทศให้ฟังเทศเรื่องเรื่องผิดท่างคนทําชั่วก็เทศเรื่องชั่วให้ฟังคนขี่โมโหโศสโศกก็เทศเรื่องกิเลสโมโหโศสโศกให้ฟังแต่เราคนฟังคนดูคนรู้ฟังเป็นหรือเปล่าดูเป็นหรือเปล่าให้นะถ้าดูว่ากระทบแล้วมันเฉยได้น่งฟังเป็นเป็นอะไรเป็นความบ้างเป็นพันิพาณไปฟังแล้วโมโหชวนเฉียวก็เป็นเหมือนกันเป็นกิเลสเป็นทุกข์ต่อไป ก็ดูที่เนก็รู้ที่ไหนก็รู้ที่ใจรู้ที่ธาตรู้นี่เองนะรู้ที่ธานรู้นี่เองนี่เข้าใจอย่างนี้นะเขาเรียกว่าเป็นพระเป็นพระมาจากวะระใจประเสริฐใจอยู่เหนืออารมณ์ใจอยู่เหนือทึกอยู่เหนือทุกข์อยู่เหนือปัญหานั่นเองนี่นี่เราจะเป็นพระไหมเนี่ยกายนี่กับใจนี่รูปนานจะเป็นพระไหมอ่าฟูมว่าเราพรุทธเจ้าท่านบอกว่าอ่าสอุปาทานนัสสอุปาทานนัสสคุวาหังอ่า ปัญญาเปมิอุปติงปัญญาเปมิเราสถาคตบัญญัติว่ามีคนเกิดมีคนแก่มีคนเจ็บมีคนตายมีตัวตนคนเกิดมีตัวตนคนแก่มีตัวตนคนเจ็บมีตัวตนคนตายเฉพาะผู้ที่ยังมีอุปทานมีความโง่ยึดถือตัวตนแค่นั้นแต่สําหรับพระอรหันต์แล้วผู้สิ้นเกเรตผู้พระเจ้าไม่บัญญัติว่าเป็นตัวตนเลยว่างจากตัวตนทีนี้สมมติว่าพระโมคคัลลาภาษาดิบุตรพระ กนทัญญาอะไรต่างๆเนี่ยสำเร็จนอกฝนนิพพานในพระานะอาจารย์เป็นสมมุติเป็นภาษาพูดเฉยๆเป็นภาษาโลกภาษาคนเป็นภาษาสมมุตดเฉยๆทีนี้พูดตามภาษาปารมาเขาเรียกว่าปัญญาเจตสิกคือตัวสติตัวสปัญญาตัวปัญญามันเกิดจากใจมันเกิดจาก่าตรูเนี่ยปัญญาเจตสิกเกิดเจตสิกคือสิ่งที่เกิดกับใจความความรู้ความเห็นอะไรเกิดจากใจพร้อมแล้วกระดับพร้อมกับใจกับจิตเลยเกิดดับพร้อมกันนะเขาเรียกปัญญาเจตสิกเข้าบรรลุนิพพาน แต่ชื่อว่ามีสมมุติชื่อว่าภาษาดิบุตรมีชื่อว่าพระมุคลาพระพระว่มามหากรสตะมีชื่อว่าอย่างนั้นมีชื่อว่าพระพุทธเจ้าพระเสด็จพระมรนี้มีชื่ออย่างนี้จริงๆกับปัญญาเจตสิกปัญญาเจตสิกเท่านั้นที่ไปรูวันิพพานบรรลุวันนิพพานพ้นทุกข์เขาเรียกพูดตามภาษาปฐมมันเขาเรียกปัญญาเจตสิกนะไม่ต้องมีชื่อไม่ต้องมีสมมุติเข้าไปแทรกแซง พูดภาษาปรมัดแม้คาว่าปัญญาเจตสิกก็เป็นบัญญัติเหมือนกันแต่เป็นบัญญัติของปรมัดเป็นบัญญัติของความพ้นทุกข์เป็นบัญญัติของความที่ธรรมะสูงสุดนดั่นเองธรรมะจริงเราพูดแบบคนนั้นคนนี้หลวงพ่อกรมอย่างเงี้ยอาจารย์โนดอย่างเนี้ยอาจารย์ยุกิอย่างเนี้ ย, าา ย, ย, เ, ยเป็นสมมุติตามภาษาโลกภาษาธรรมที่ให้เข้าใจกันไปที่จริงอ่ะอาจารย์โนดก็รูปธรรมนามธรรมอาจารย์ทุกิก็รูปธรรมนามธรรมหลวงปู่กรมก็รูปธรรมนามธรรมแต่รูปธรรมนามธรรมใดมีสติ รูปธรรมนั้นก็พ้นทุกต่อไปจะคิดจะพูดจะทําจะเคลื่อนไหวอะไรก็พ้นทุกไม่มีทุกเข้าไปเจือบนถ้ารูปนามไหนไม่มีสติไม่มีปัญญาะไม่มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมรูปธรรมนั้นจะคิดจะพูดจะทําจะเคลื่อนไหวอย่างไงก็ป้นเจือปนไปได้วยทุกเจือปนไปได้วยกิเลสนั่นเองเจือปนไปด้วยกิเลสเมื่อเข้าใจอย่างนี้เมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็แฟังทำแล้วก็ทําใจได้กะจึงบรรลุที่นี่บรรลุที่นี่ขณะนี้เดี๋ยวนี้ถ้าขณะนี้ใจเราไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ทุกข์เลย เราก็บรรลุหนึ่งนาทีสองนาทีสมนาทีในขณะที่ฝั่งนี้ก็เรียกว่าตาทังคะวิมุตต์หลุดพ้นชั่วขณะนะยังไม่เด็ดขาดถ้าสมุทเฉดวิมุตต์แล้วก็เป็นพระละหันไปเลยนะไม่ไม่ไม่มีชาติโลภชาติโกรธาติหลงความโลภความโกรธความหลงความทุกข์ความอยากความยึดควมยุกไม่มาเกิดในใจเลยชาติตัวนี้ไม่มาเกิดชาติตัวกูของกูไม่ชาติงูเนี่ยไม่มาเกิดในใจเลยใจว่างเปล่าจักอะไรอยู่กระทบก็ว่างเปล่าอยู่ว่างเปล่าจักดีใจเสียใจ ชาติดีใจชาติเสียใจชาติรักชาติฉังไม่ว่าเกิดขึ้นในใจเลยะชาติิชาติแต่มเกิดความเกิดเนียชาติสิ้นแล้วชาติความเกิดสิ้นแล้วก็คือตายคือดับนี่แต่พระเจ้าชาติสิ้นแล้วเมื่ออายุสี่ิห้าปีแต่ต้องบทสอนมนุษย์พวกเราอยู่ตั้งอีกสี่สิี่สิบ้าปีเขาเนี่ยเมื่ออายุสาสิห้าปีสําเร็จปัเป็นพระเจ้าไงแล้วก็สี่สิบหปีแปดสิปีชาติสิ้นแล้วไม่เห็นตายก็ยังเดินไปเดินมาะ เรียกว่าชาติของกิเลสมันตายชาติโง่งมันตายชาติบาปมันตายเข้าใจไหมไม่มาเกิดขึ้นในใจแล้วใช่ไหมเหลือแต่มีแต่ภิยพานปรากฏอยู่ไม่ใช่ความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่ตช่ความรู้สึกสื่อบกบาลปรากฏอยู่ที่ๆๆใจในะิตที่ใจแค่ น, นั้นนนและครัไอ้ตัวนั้นที่หลวงป่อเทียนท่านบอกว่าท่านเจ็บป่วยจะตายอยูนะหลวงพ่อก็ยังสอนเอาเป็นเอาตายเลยฮะหลวงพ่อมีเมตตาสูงสุดทำไมหลวงป่อเทียนไม่ใช่ปัญญาภาสอน นั่นคือปัญญากือตัวคือตัวปัญญาทำให้จิตใจไม่หมดรุดพ้นจากกิเลสเนี่ยตัวปัญญาตัวนั่นเองผาสอนยานปัญญาภาสอนทวาอย่าง น, นี้ก็คือเมตตานี่ยเนี่พอเราก็เขียนพูดนะตัวสติปัญญาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ฝ่ายดีฝ่ายพ้นทุกเนี่ยเป็นเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาเป็นหมดเนี่ยนะเป็นหมดเลยนะท่านบอกกับว่าหลวงปทีนท่านสรุปลงไปตัวปัญญาตัวพทุกผาสอนทาร สรุปไปตัวเดียวมันก็เลข้อเขียนสรุปคําเดียวว่าจะคิดจะพูดจะทําจะทําอะไรขึ้นมาทําเพื่อความดับทุกข์ทำเพื่อควาพ้นทุกข์ทําเพื่อความไม่มีทุกข์สรุปไปคําเดียวแค่นั้นนี่ี่นี้เราฟังที่นี้เราก็สังเกตดนิเนี่ยที่นี้เราก็เห็นคนคิดคนพูดคนทําทําผิดทําถูกทําอะไรก็แต่เขาทําเพื่อพ้นทุกข์แค่นั้นเองแต่พ้นทุกข์แบบคนโ ง, โง่ๆทําผิดเนี่ยโกรธขึ้นมาไปฆ่าเขาเนี่ยเพื่อดับทุกขก์เหมือนกันเข้าใจไหม จนขึ้นมาไปป่้นไปรับไปขโมยก็นั่นก็ดับทุกข์เหมือนกันดับทุกข์แบบโง่ๆเฮ้นะจึงเป็นทุกข์ต่อไปดับทุกข์แบบผิดเจ็จึงเป็นทุกข์ต่อไปถ้าดับทุกข์แบบถูกอ่ถ้าจนก็ขยันทำมาหากินเก็บขอมดนำเล็บเข้าไปอันนี้ก็กระดับทุกข์แบบถูกคันดับทุกข์เรื่องจนเฉยๆโกรธเขากับดับทุกข์แผ่เม่ตาให้เข้าไป แผ่เมตตาให้เขายไม่ฆ่าไม่ขมวดไม่เกลียดเขาสิดับทุกเป็นเขา้าจะไหมคนพวกเรานี่เป็นคนที่เป็นพระดับทุกดับกิเลสเป็นไอ้พวกดับผิดใช่ไหมดับผิดจิตเป็นทุกต่อไปถ้าดับถูกจิตก็ทุกพ้นทุกต่อไปแค่นั้นเองนี่คือสรุปคําง่ายๆจะคิดจะพูดจะทําอะไรจะเห็นอะไรเป็นดําเนินไปเพื่อความพ้นทุกข์ให้เราสรุปลงตัวเดียวแค่นี้จะคิดจะพูดจะฟังจะทําจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจอะไรก็แต่ก็โอ้เป็นพิธีการเปลเป็นไปเพื่อความบรรทุกแต่ว่าจะถับทุกผิดพิธี หรือเปล่าอาดับทุกผิดวิธีก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกรู้สึกซื่อๆเฉยๆรู้สึกเปล่าๆนี่เป็นดับทุกพลวิธีเป็นการพนทุกพลวิธีท่านนี้คือปุงแต่งต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างน Kingdom, ีงสงส้ต้องสงสัยยองพิพากทวิจารณ์ดับทุกผิดวิธีมันก็ทุกต่อไปต้องคิดต่อไปต้องพูดต่อไปต้องทําต่อไปต้องกระทําต่อไปเรื่อยๆทีนี้หยุดกระทําอริยกรรมกรรมที่หยุดหยุดเว้นเว้นการกระทํา คือกระทำอะไรกระทําการหยุดกระทําการเว้นหน่งไงเจนี่พวกที่ยังนั่นกระทําต่อไปคิดต่อไปพูดต่อไปเดาต่อไปอะนึกต่อไปทําไปเรื่อยห่งมันก็ไม่หยุดมันก็เหนื่อยต่อไปกระทุกต่อไปเรื่อยเลยเจนี้พอหยุดว่างว่างจากการกระทํำคือตัวว่างจากการกระทํากระทาความว่างให้เกิดขึ้นมากระทาความว่างเปล่าให้เกิดขึ้นมาอันนี้ก็คือไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกไม่ต้องปรุงไม่ต้องแต่งอะไรให้อยู่ว่างๆอะไรกระทบกับใจเฉยๆไว้ก็อยู่ในความว่าง นั่นเองกระทบเราว่างกระทบเราเปล่ากระทบเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นแหละก็คือว่าสภาวะจิตของท่านรู้นั้นพ้นจากกิเลสตัณหาพ้นจากความนึกคิดปลุกแต่งทีนี้ก็ให้เข้ามารู้ที่ตัวของเราเองที่ใจเราเองรู้ที่กายรู้ที่ใจรู้ที่รู้รู้ที่นามทีนี้รู้ที่นี่รู้ขณะนี้เดี๋ยวนี้แนี้แล้วก็พยายามรักษาตัวรู้ว่างๆตัวรู้เปล่าๆตัวรู้ซื่อๆตัวรู้บริสุทธิ์นะให้ติดต่อไปก็อาศัยวิริยะคือความเพียรวิริยเจนะทุกขมัติจติ คนทั้งหลายจะพ้นจากทุกข์ด้วยอํานาจของความขยันมันเพียรนเองในวิธีคนขยันมันเพียรในความสุขคนเกียจขร้านอยู่เป็นทุกข์นนะเป็นสุขก็คือไม่ทุกข์นี่ต้องขยันมีสติมีขยันมีความรู้สึกตัวอยู่อสตีนี้ก็วันมันเป็นวันพระนะอ่ะยากโยมก็ขอให้ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่นะจงมีดวงตาถห็นทำดับทุกข์ได้เหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนหลวงปู่เทียนเหมือนหลวงปู่คาเขียนด้วยกันทุกท่านตื่นขอถิ่นวันพระ